แต่ว่ามันสมมุติถว่าสมมุติว่าเป็นวันสุดท้ายแต่ท่จริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นวันเริ่มต้นที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยไปใช้กับชีวิตประจําวันอันเนี้ยดีกว่านะเป็นวันเริ่มต้นที่จะนําเอาธรรมะไปใช้กับชีวิตประจําวันนี่ทํำยังไงที่จะให้เรามีธรรมะในชีวิตประจำวันได้นั้นอันเนี้ยถือว่าเป็นประโยชน์มาก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 ไม่ต้องพึ่งวัตถุมงคลซึ่งเป็นที่พึ่งภายนอกมีแต่เรื่องหลอกลวงเท่านั้นแหละบางคนก็พึ่งอบายมุกเล่นการพนันสิ่งเสพติดเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้น่ะไม่ใช่ที่พึ่งอิทแทจริงแต่ว่าถ้าว่ามีธรรมะเราจะมีที่พึ่งภายในจิตใจไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกก็ได้ก็เราอยากจะมาแนะนำชักชวนพวกเราเนี่ยลองนําเอาธรรมะ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 พาสามีไปหาหมอเพราะสามีเป็นโรคซึมเศร้าเห็นหมโรคฮิตในชีวิตปัจจุบันคือโรคซึมเศร้าหาได้ไม่ยากขอบตาเขียวๆที่นี่พอจะมีไหมซึมเศร้ามีอาการเป็นอะไรจริงนะนอนไม่หลับเพราะอะไรจิตตกคุณแม่ของสามีคุณแม่เสียชีวิตไปประมาณเจ็ดแปดเดือนทาใจไม่ได้ ยังติดอารมณ์อะลัอาอวรคุณแม่อยู่นอนไม่หลับจนเปโรคซิมเศ้าต้องไปอาศัยยาที่โรงพยาบาลหาจิตแพทย์แล้วก็หานักจิตวิทยาตกลงกันให้ยาช่วยนอนหลับภรรยาเนี่ยเป็นผู้ที่ช่วยเหลือสามีภรรยาปฏิบัติธรรมชอบเข้าคอร์สแบบนี้ลหละ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 มันก็ดีนะเนี่ยดีที่ว่าสามีภรรยาเป็นเพื่อนร่วมทุกร่วมสุขกันอีกคนมีปัญหาอีกคนพาไปหาหมอแต่ว่าคูณฉับอกว่าเราเป็นสามีภรรยากันเนี่ยเราควรจะเป็นเพื่อนร่วมสุขอย่าไปเป็นเพื่อนร่วมทุกเวลาสุขฉันสุขด้วยเวลาทุกฉันไม่ทุกกับเธอแต่ฉันจะช่วยเธอพ้นทุกมันก้ออย่างนี้จะถูกต้อง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 แปลว่าขาดที่พึ่งภายในที่เป็นด้านจิตใจขาดธรรมะเดี๋ยวนี้มีเยอะนะเป็นโรคจิตโรคประสาทต้องยาฆ่าตัวตายแต่บางรายก็ธรรมะช่วยไว้ได้เพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงนะให้มีธรรมะอยู่ภายในจิตในใจเราถ้าเราสามารถนอาเอาวิธีการปฏิบัติแบบเนี้ยไปใช้กับชีิตประจําวันแล้วก็เราจะสามารถมีธรรมะได้ตลอดทั้งวันเลย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 และไม่ต้องรู้อะไรแปลกๆรู้เฉยๆรู้ว่าเรากาลังทาอะไรทั้นนั้นอ่ะจิตก็เป็นกุศลละรู้เฉยๆธรรมดาการที่เรามารู้สึกตัวสเสมอๆเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะจะให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เราเข้าใจตัวเองปัจจะรู้ว่าชีวิตเราเนี่ยวันเนี้ยเรามีความรู้ตัวมากหรือมีความหลงลืมตัวมากเราจะตอบได้ไหม เจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยถึงวันนี้เนี่ยเราสรุปว่าเรามีความรู้ตัวมากหรือหลงลืมตัวมากคำว่าตัวเนี่ยคือเรานี่นะถ้าเรามีความรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอันนี้รู้แต่ถ้าเราเผลอไปจิตใจเลื่อนลอยไปที่บ้านหลงลืมตัวละลืมตัว ล, ว ล, มวลืมใจใครให้คำตอบได้ไหมตอบในใจใช่ไหม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 เมื่อที่มันเกิดอารมณ์ขี้เกียจเราก็หยุดเวลาเกิดความขยันเราก็ทำนี่แง่ทว่าไม่มีสมาธิแล้ะเพราะปล่อยให้อารมณ์เนี่ยบังคับเราขี้เกียจเราก็หยุดขยันเราก็ทําแต่ว่าเราทําตามอารมณ์ถูกไหมนักปฏิบัติเนี่ยขยันก็ต้องทําขี้เกียจก็ต้องทำํำถ้ายัางทําไม่เต็มก็ต้องทําการทํางานก็เช่นเดียวกันเมื่อทีงานที่เราทําเนี่ยที่ตาไปมันขี้เกียจ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 ขยายฐานของเชีย่ยวโลกความทุกข์ให้คนรอบข้างพลอย ห, หมดสนุกไปด้วยเห็นไหมนันระวังให้ดีนะถ้ามีสติรู้ทันในอารมณ์เนี่ยสติจะทาหน้าที่ดึงจิต ด, ดึงใจให้ตื่นออกจากอารมณ์ตื่นจากความคิดไม่ตกหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์แบบนั้นให้มันตื่นจากความคิดตื่นจากความง่วงเหงาหาอ น, อนสตินี่ช่วยได้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 เมื่อกี้ปกติกายวาจานี่ปกติจิตปกติคุณติคืออะไรคือความสงบไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ที่มากระทบคนที่มีสติมีสมาธิเนี่ยไว้นะไวต่อการกระทบแต่ไม่ไหวตามร่อมาสไม่วอกแวกไว่แต่ไม่ไหวตามเวลามีอารมณ์กระทบปั๊บรู้แล้วก็สามารถปล่อยวางอารมณ์นั้นได้ ไวต่ออารมณ์แต่ไม่ไหวตามคนที่ขาดสติขาดสมาธินี่ไวต่ออรมมากแล้วก็ไหลไปตามอารมณ์เลยแล้วมาเพราะขาดสติถ้ามีสติแล้วเนี่ยจะไวแต่ไม่ไหวตามรักษาจิตให้เป็นปกติได้จิตที่เป็น ป, ก ต, ป, นปกติเนี่ยไม่ทุกนะจิตผิด ป, ปกติเนี่ยมีโอกาสเป็นทุกข์ได้จิตปกติคือจิตที่เป็นกลางกลางตั้งมัน่นรู้อยู่ดูอยู่เห็นอยู่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 ดูความทุกข์แต่ไม่ได้ไปเป็นผู้ทุกข์มันปลอดภัยขนานดะนี้ไม่ใช่เพิความคิดนะเป็นการปฏิบัติเข้าถึงเพราะว่าที่ดูมันปลอดภัยถ้าเป็นผู้ดูล้าก็ไม่ทุกข์ถ้าเข้าไปเป็นแล้วก็ทุกข์จะทำยังไงให้เป็นผู้ดูได้ก็คือการรู้สึกตัวบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆให้จิตมันตื่นพอตื่นแล้วมันก็จะ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 สงบมากกว่าเดิมมีความผ่องใสกว่าเดิมในจิตใจเราเรารู้เองบางทีคนอื่นก็รู้ได้นะว่าเราเนี่ยมันมั่นคงขึ้นคนใกล้ตัวสามารถสัมผัสได้ว่าเราเมาสติมากขึ้นควบคุมใจได้ดีขึ้นก็เคยมียาติธรรมมาคุยเมื่อกี้สามีมีปัญหาแต่ยาติธรรมคนเนี้ย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 ไอ้ผมก็ไม่มีภรรยาไม่เคยเป็นสา ม, มีใครแต่ได้ฟังปัญหาแล้วก็มันเป็นข้อมูลของเราเอาอย่างงี้สิ<ๆ>เขาคงจะไม่มีความจุขในบ้านละมั้ง<ๆ>เขาต้องเจไปอยู่กับเพื่อนไปสนุกกับเพื่อน<ๆ>ผมจะไม่แนะนําอะไรนะเร<ๆ>ื่องหลังนี่เป็นไงเนี่ยผมไม่รู้เราลองกลับไปทําแบบนี้สิเวลาสามีกลับมาบ้านก็อย่าพูดอะไร<ๆ>ทําหน้าที่ภรรยาไปเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรหรอกทำหน้าที่ภรรยาไป จะเรียกเขาทานข้าวหรือจะทำแล้วก็ทำไปเถอะเนี่ยแต่อย่าพ่งพูดอะไรเขาก็ลองไปทำดูสามีก็มารับกลับบ้านมารับที่ทำงานเลยนะกลับบ้านในระหว่างขับรถเนี่ยเขาก็ได้กินสุราจากสามีได้กินเหล้าแต่แล้นวนีสามีดื่มสุรามาแต่เขาไม่ได้พูดอะไรนะมานั่งมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปถึงบ้านก็พูดกับสามีว่าจะทางข้าวก็ทานนะเดี๋ยวตั้งอาหารไว้ให้ ถ้าไม่ทานข้าวก็ไปอาบน้ํานอนก่อนนอนต้องสาปผมด้วยนะพูดเป็นแค่เนี้ยสามีก็ว่าง่ายก็นอนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตื่นเช้ามาลูกสงสัยว่าเอ๊ะคุณแม่มันแปลกแปลกนะทุกวันในเวลาพ่อกลับมาแม่ต้องบ่นต้องดา่าทําไมวันนี้เมื่อคืนแม่ไม่ด่าไมยบ่นเลยสามีก็ดีนบอกเออโลกมันจะถลนทลายกันตรงนี้แหละท่านเห็นเธอไม่เคยพูดอะไรเลย มันได้ผลนะภรรยาลนวก็เล่าใผมฟังว่าแมกั้นใจได้ทิศแย่เลยมันจะจะพูดได้ไม่จะจะพูดได้พยายามระงับจิตใจด้วยสติไม่ให้ไปทำตามความอยากที่จะพูดอกอีกแป้นจะแตกอยากจะพูดแต่มันกั้นเอาไว้แล้วปัญหามันก็หมดไปสามีเห็นการเปลี่ยนแปลงของภรรยาแค่มีสติควบคุมจิตไม่ต้องพูดมันก็ดีนะ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 เราต้องมีที่พึ่งถ้าขาดที่พึ่งเนี่ยเหมือนคนอนาถาแล้วใครจะช่วยเราได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยอุปศการของผมเนี่ยพวกเองก็เมื่อก่อนก็ไม่มีที่พึ่งก่อนที่จะมีชีวิตทิพกาเนี่ยผมไม่มีที่พึ่งภายในที่พึ่งนอกก็มีมากมายสภาพร่างกายทิพิกาอย่างนนเนี้ยจนปัจจุบันเนี่ยก็เข้าปีที่สามสิบล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 ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ร่างกายก็พิการแล้วใจมันก็คิดคลุ่นคิดหมกบุ้นเยี่ยในความคิดคิดคิดดับเบิลคิดเป็นทุกแบบทุกตอนทุกโอ้ทุกมากเลยมันจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงนึกอะไรไม่ออกแต่คิดให้เป็นทุกเนะี่คิดออกหมกบุ่นมากเลยก็เลยคิดว่าถ้าเราอยู่ในสภาพเช่นเนี่ย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 มองตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ไ like ร้ค่ามันรู้ทําไงกับตัวเองดีเนี่ยมันขาดที่พึ่งภายในไม่มีธรรมะเนี่ยสภาพคนเนี้ยอยู่ไม่ได้อย่างไรนะแต่เขาโชคดีที่ว่าหัวสัยกา ร, รยานมิตรมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นกา ร, รยานมิตรพ่อแม่นี่เป็นสิ่งว่าที่สําคัญนะถ้าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่มีธรรมะเนี่ยก็จะเอาสิ่งอื่นมาให้ลูก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 ท่านทําตัวอย่างให้ดูทําให้ใจเราเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จะคิดว่าเรานี่แย่แล้วคงจะลําบากแนะ่มันเปลี่ยนใหม่ว่าออคนเราเนี่ยมันมีทุกข์ก็ต้องมีความไม่ทุกข์ได้เหมือนกันมันมีทุกข์แล้วย่อมมีความไม่มีทุกข์ได้เหมือนกันมันเหมือนสวิตช์ไฟอะสวิตช์ไฟเนี่ยมันเปิดไฟได้อี ต, ตรงนี้นะอีตองเปิดก็สวิตช์เดิมอะ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 เข้าถึงธรรมะกับการเข้าใจธรรมะเข้าใจในเพียงแค่อยู่นอกๆแต่เข้าถึงเนี่ยมันเข้าถึงจิตถึงใจเลยแค่อ่านแค่ฟังเนี่ยยังไม่เพียงพอหรอกมันต้องมีการปฏิบัติในอย่างพวกเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อ น, นำธรรมะเข้าสู่จิตใจเราก็สายยานของส่งคือการเจารสตินี่แหละจารสติจารสติในแนหวหลวอเทียนทันก็มรณภาพไปแล้ว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 แต่เราไม่ยอมท้อแท้แต่อประสบรณมันต้องขอลองดูก่อนแล้วเดินจงกรมไม่ได้เราก็ใช้จงกรมมือเห็นจงกรมมือไหมห <c ười> ลวงพ่อเขียนต้นกกสอนว่าให้นอนพลิกมือเล่นแต่ก็รู้สึกตัวพริกมือแล้วก็รู้สึกตัวฮะพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึกพลิกมือหงายให้รู้สึกพลิกมือคว่ำให้รู้สึ ก, กให้รู้เฉย ไม่ต้องบริกรรอะไรไม่ต้องหลับตาไม่ต้องคิดอะไรใช้ความรู้สึกตัวล้วนๆรู้ซืกอๆอย่างนี้แหละพลิกมือรู้สึกตัวมันต่างกับการก้าวเท้าแล้วรู้สึกตรงไหนเหมือนไหมเปี่จะกเท้าเป็นมือจงกลมมือทังมือขวารู้สึกความไายรู้สึกมันเมื่อก็เปลี่ยนมือซ้ายบ้างอียาบทมันจากัด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 เวลาหายเมื่อยก็ทําต่อไปมันนอนไม่หลับแล้วมันปวด <c oughs> แกนใ่ใจแก่ขว่าเนปวดหมดเลยนอนไม่หลับทีต้องนอนตั้งมือแบบเนี้ยนะตั้งมือแล้วก็หลับนอนตั้งมือเนี้ยตื่มาที่มือตั้งอย่างนี้เลยนะมันปวดมากวางตรงนี้มันก็ไม่สะดวกวางนี่สะดวกมันปวดเลยตั้งถ้าโดนจงกลเมืม่อยขาในี่ยานอนทำไม น, นอนยกขาไม่ได้นะมันปวดมันเมื่อยก็ต้องอดทนนอนเนี่ยผมทำอยู่อย่างนี้แหละ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 คือการมีสติตามรู้กายพอรู้กายนานๆจิตมันตื่นมันตื่นรู้ไปเห็นส่วละเอียดของกายคือเห็นจิตเห็นใจที่มันปรุงมันแต่งมันคิดพทอทําต่อเนื่องมร น, นานเนี่ยเข้าใจเรื่องของกายโอ้ร่างกายนี่มันเป็นรูปมันบอกว่ามันเป็นทุกข์ร่างกายนี่ไม่มีความสุขเลยมีแต่ความทุกข์เมื่อกี้เนี่ยเราหิวข้าว เราทานข้าวไปหิวข้าวเป็นทุกข์ไม่เป็นสุขเพราเดี๋ยวมจะได้กินอีกหิวสุดๆจะได้กินก่อนจะเป็นสุขเนะ้่มาเป็นทุกข์ก่อนเราแก้ทุกข์จากการหิวแล้วไปกินอิ่มนะแล้วเราก็ว่าสุขจริงๆไม่ได้สุขละทุกข์มันหายไปเราไปการแก้ทุกข์ทุกข์เกิดจากความหิวพอทานอาหารไปแล้วหนึงชามทุกข์มันหาย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 แยกรูปแยกนาเลยจิตคือผู้ดูแลเป็นนามกายที่มันทุกข์นะั้เป็นรูปเออกจากความทุกข์ได้ทางร่างกายทุกข์ของกายนี่ไม่เท่าไรนะยังพอจะแบ่งแยกได้แต่ทุกข์ของจิตที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยไอ้ความพิการเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะจิตมันคิด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 ถูกไหมเมื่อไม่คิดจิตไม่ทุกข์ถ้าคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการปรุงแต่งเป็นตัวเราความคิดนําเอากิเลสเอาความโลภ ค, ความโกรธความหลงมาสู่จิตใจเราถ้ารู้ทันความคิดปับ๊บความคิดก็จะดับไปเลยคิดขึ้นมาเราเป็สติรู้ทัเ น, เทนเนี่ยจบเลยเพราะอย่างนี้ที่เปลี่ยนชีวิตใหม่ได้เนี่เพราะเริ่มจากการเจรดจิตพอเห็นความคิดจิตมันเปลี่ยนเลย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 เดี๋ยวมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปตามกาัน จ, จิตใจเนี่สามารถพัฒนาได้พัฒนาสูงสุดจนกระทั่งถึงนิพพานพ้นจากปัญหาทั้งปวงเพราะฉะนั้นคนที่มีร่างกายพิการไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเจอสเตเตเล่จะหัวเราะเยาะความพิการหัวราะเยาะความทุกข์ขอบคุณความพิการขอบคุณความทุกข์ที่ทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากยิงขึ้นทำให้เรารได้มาปฏิบัติธรรมได้มาทําประโยชน์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 กระโดดน้ำลงไปปุ๊บอหักอืดอยู่ในสระน้ำมันจะไม่มีโอกาสได่ทำประโยชน์เลยดีแล้วที่มันหักไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึงยังเหลือใช้ประโยชน์ได้ต้องขอบคุณตัวที่มันยังเหลือให้เราก็ไม่ได้ใช้ส่วนที่เหลือเนี่ยไปเด็ดเบียนใครแม้เหลือน้อยเราก็มาทำประโยชน์ได้มาพัฒนาจิตเราและช่วยเหลือผู้อื่นเห็นไหะ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 ตอนที่ความทุกข์มันยังน้อยปัญหาชีวิตมันน้อยเราสามารถปฏิบัติได้ดีเตรียมเอาไว้เพราะชีวิตข้างหน้าวันพรุ่งนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยเราไม่สามารถจะรู้ได้นะเตรียมเอาไว้ก่อนอย่ารอจนกว่านอนแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วถ้ากระพิบพตายอย่างเดียวสายสีตะล็อกดักอยู่ในห้องไอซีเนี่ยมันจะปฏิบัติ ท, ทําไม่ได้ตอนนั้นมันจะสายเกินไปแล้ว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 An lain dijawab oleh pihak TIBDO.